เบลตาเห็นรูปผู้ฟังเสียงจมูกดรงกรงลิ่นลิ้นนิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งและใจเหนียวนึกสึกนึกถึงอารมณ์ในกรณีที่กิเลสบังเกิดขึ้นภายในใจเพราะสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของคนเรานั้นเราจะมีความรู้สึกได้ทั้งสามอย่างคือรู้สึกที่เป็นกุศลรู้สึกที่เป็นอกุศลและรู้สึกที่เป็นกระกา แต่ว่าในหมวดนี้เป็นการพูดในกรณีของความรู้สึกที่เป็นอกุศลบังเกิดขึ้นส่วนก็ใดข้อหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อนหลังก็เป็นลักษณะทางอารมณ์ในแต่ละขณะเพียงแต่ว่าเมื่อนามาพูดนำมาอธิบายก็พูดกันไปตามลาดับที่ท่านแสดงเอาไว้กิเลสประเภทสังโยชน์ที่กล่าวมาในเรื่องของมานะที่เปลวความถื่นตัว สมาชิกคลทั่วๆไปแล้วมันก็มีความรุนแรงมากบางน้อยบางที่รุนแรงมากๆ ก, ก็คือการดูดมิ่นคนอื่นที่เราเรียกว่าการยกตนข่มท่านโดยใัยสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งของตนเราก็ยกตนไปข่มคุณอื่นถือว่าเรามีความรู้มากกว่ามีความสามารถมากกว่ามีทรัพย์มากกว่ามีรูปดีกว่า มีฐานะทางสกุลดีกว่าเป็นต้นแล้วก็ไปดูถูกเหยียดยามบุคคลอื่นในจุดเดียวกันหรือว่าหลายๆจุดลักษณะเหล่านี้เองที่ก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นในสังคมไม่ว่าในยุคใดสมัยใดเป็นการปฏิเสธสถานภาพของคนอื่นในยกย่องเชิดชูเฉพาะตัวเอง จะบางครั้งรุนแรงก็ออกมาในรูปของการเบียดเบียนทำลายล้างโดยถือว่าคนอื่นพวกอื่นใล้ๆกับไม่เช่คนตนมีสิทธิที่จะทำลายล้างคนเราได้ถ้าเราสาวไปลึกๆแล้วจะพบว่ามันเกิดมาจากมานะคือความถือตัวแต่จริงแล้วมานะเองมันก็เป็นกระบวนการของกิเลส จะถามการทำทำไมจึงเกิดการถือตัวในลักษณะนั้นก็ตอบได้ว่าเพราะเรามีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแต่เรายังไม่รู้สึกอย่างนั้นความรู้สึกในแนวที่จะเอาตนไปดูหมิ่นคนอื่นหรือว่ายกตนคบท่านมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีตัวตนให้ไปยกไม่มีตัวตนให้ไปดูหมิน่น แต่ถามว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้โดยลําพังมันเองหรือเปล่าก็ตอบเปล่ามันเกิดขึ้นมาจากภาวะชิดจิตคือความเห็นผูมีมีพบมีชาติมีตัวมีตนมีเรามีเขามีของเราของเขาแต่ถามว่าทําไมคนจึงเกิดความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาก็ตอบว่าเพราะความเห็นผิดความเข้าใจผิด หรือความไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงที่สรุปรวมเป็นอวิชชาเพราะโพกสังโยชน์ทั้งปวงที่กล่าวมาแล้วหรือแม้แต่ยังไม่ได้กล่าวหรือแม้แต่กิเลส ท, ที่มีชื่ออย่างอื่นทันแล้วแต่มีความสืบเนื่องมาจากอาวิชชาในจุดใดก็ตามถ้าอาวิชชาคือความไม่รู้ได้ถูกกระจัดลงไปมีความรู้เพิ่มขึ้น ในความเข้าใจเหตุผลในเรื่องนั้นๆสูงขึ้นอาการของกิเลสประเภทต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปเพราะในระดับของสินธรรมจัญญาที่จะเน้นในเรื่องการรู้บาบุญคุณโทษอันที่จริงก็ไม่จะถึงกับขจัดอวิชชาได้อย่างสิ้นเชิงเพียงแต่ว่าคนเราทะรุบบาบุญคุณโทษได้ ก็สามารถจะควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยในกรอบของความถูกต้องดีงามได้การดำเนชีวิตก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดสินธรรมไม่มีความขัดแย้งกันเพราะแต่ละคนนั้นแทนที่จะเอาตัวเองเป็นฐานในการคิดในการตัดสินวิจัยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะเอาเกณฑ์มาฐานของความดีความชั่วของกุศลและกุศล ม, ม, มาเป็นเกณฑ์ในการวินิชฉัยตัดสินมันก็จะเกิดอาการอย่างหนึ่งซึ่งหมายความจริงเราก็มีทิฏฐิอยู่เพียงแต่ว่าทิฏฐินั้นมันเกิดปรับตรงกันเรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาคือมีความเห็นตรงกันบางอย่างนั้นเป็นความเห็นตรงกันจากการพัฒนาจิตตัวเองขึ้นมาเจนยกตัวอย่างว่าคนซึ่ง มีความเห็นว่าพ่อแม่เป็นบุคคลที่มีคุณด้าเกิดมีความรู้สึกกระตัูรู้คุณของพ่อแม่โดยอาศัยประสบการณ์ตรงโดยการคนนี้จะพูดกันอย่างมีความเข้าใจจะมีกี่คนก็ได้พูดกันแล้วเรื่องพ่อเรื่องแม่เราก็มีความเข้าใจแล้วอธิบายถ่ายทอดกันได้แล้วคนหนึ่งพูดมาอีกคนหนึ่งก็เข้าใจอีกหลายหคนพูดอีก อีกหลายๆคนก็เข้าใจนั้นแสดงว่าเราสามารถปรับความเห็นให้มาอยู่ในเกณฑ์เดียวกันได้และในเกณฑ์ความเห็นเหล่านี้เองบางครั้งบางคราวก็ไม่ใช่เรื่องเนื่อนไขอะไรมากมายแต่สยภูมิปัญญาหรือภูมิธรรมของบุคคลผู้นั้นมีมากพอจะบุญคุณของพ่อแม่ไม่ต้องคิด รายละเอียดมากมายว่าท่านจะอบรมสั่งสอนห้ามควา ม, ห, ามห้ามไมายทําความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีในศึกษาศินะปะวิทยาอะไรหรือไม่กระทำไม่จะเป็นจะต้องคิดไกลขนาดนั้นแม้จะด้วยความคิดที่ว่าการที่เรามีอัตภาพชีวิตร่างกายมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งในโลกนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ท่านให้มาจะ เ, เรียกว่าเป็นพ่อแม่บังเกิดกรา ในการที่ท่านสามารถให้ชีวิตที่เป็นมนุษย์มาได้ก็เพราะท่านเป็นมนุษย์ถ้าหากว่าท่านไม่เป็นมนุษย์ท่านก็ให้ชีวิตมนุษย์แก่เราไม่ได้เพราะชีวิตที่เป็นมนุษย์นั้นมีพ่อแม่ท่านั้นเองที่ให้ได้คนอื่นไม่อาจจะให้ได้เพียงเท่านี้คนก็เกิดความสำนึกกระตันดูกระตเวทีต่อพ่อแม่ได้แล้วนั้นแสดงเห็นว่าทิฏฐิคือความเห็นชอบนั้นมันมีกําลังอยู่มากแล้วภายในใจ มันจำเป็นจะต้องมีคิดอะไรให้มันลึกซึ้งมากมายจะต้องมีการอาธาิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกจะถามว่าคนประเภทนี้ถ้าไปเทียบกับคนที่พระพุทธเจ้าทรงเทียบเป็นดอกบัวสีเหลาพออยู่ในกลุ่มใดเราก็ตอบพา อ, อยู่ในกลุ่มแรกโดยโครงสร้างสายหนึ่งก็คือสายที่จะรู้เห็นรู้ว่าบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ ดังนั้นกิเลสทั้งหลายที่จริงแล้วเขาก็อิงอาศัยทางการแต่งกันหมายความว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีทยอยกันไปในรูปของคลื่นในรูปของการปลูกต้นไม้เหมือนกับเราปลูกต้นสเสตเราต้นสะเรานั้นมันขมมาตั้งแต่กิ่งที่เราไปปลูกแล้วแล้วถึงยอดมันก็ขมนั่นคือกระบวนการที่มีความต่อเนื่องกัน มันจุดเริ่มต้นเป็นยังไงต่อไปมันก็มีอาการอย่างนั้นจู่บรรดากิเลส ท, ทั้งหลายเขามีเริ่มต้นมาจากอาวิชชาเพราะทุกเรื่องที่เป็นอาการของกิเลสมีอวิชชาอยู่ทั้งนั้นถ้าเราลดพวกอวิชชาลงไปได้อาการของกิเลสก็จะจางลงไปอย่างในกรณี้องการปรับความเห็นที่เราเรียกว่าทิฏฐิสามัญตา คือความเห็นตรงกันตรงกัน ร, ระดับหนึ่งนั้นที่กล่าวแล้วนั้นเป็นความตรงกันที่ดีหมาความมาอาศัยประสบการณ์ตรงแต่เรื่องต่างๆในโลกนั้นมากมายไกลกองเราจะมีประสบการณ์ตรงตรงนี้ไปถึงจุดหนึ่งเราก็เกิดไม่รู้อีกละนับหนึ่งจากไม่รู้ทุกทีปัญหาว่าตรงนี้เราพัฒนาความรู้ขึ้นได้มากพอหรือไม่ปรับให้ตรงกับคนอื่นได้หรือไม่ แต่ปรับไม่ได้ตรงนี้มันก็มีความเห็นขัดแย้งกันไม่ใช่ขัดแย้งในจุดอื่นแต่ว่าขัดแย้งในจุดที่ยังปรับความเห็นไม่ได้เพราะสังคมโลกจึงมีการถกเถียงในการขัดแย้งกันอยู่ตลอดแต่ในขณะเดียวกันเราจะสังเกตว่าที่จริงโลกก็มีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่หากว่าคนก็จัดทิฐิ คือความเห็นของตัวเป็นหลักมาอยู่ที่กฎเกณฑ์ของสังคมทั้งหลายนี่เป็นหลักก็ปรับความเห็นให้ตรงตามตามอะไรตามทำนองครองธรรมตามกฎหมายตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามจารีตแบบแพนตามกฎเกณฑ์กติกาที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆเป็นต้ตนตัวนี้คนเราก็ปรับปรับความเห็นตรงกันได้ หมายความว่ามีที่อื่นเป็นตัวยึดไม่ใช่สัมผัสตรงของตัวเองเป็นตัวยึดเพราะตรงเนี้ยวินัยว่าอย่างนี้ศีลว่าอย่างนี้กฎหมายว่าอย่างนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีว่าอย่างนี้ธรรมะพร้ยาส่งแสดงว่าอย่างนี้ก็ยึดถือตรงนั้นเป็นหลักเพราะไรเพราะเราเอง ย, งยังยึดถือใจเราไม่ได้ใจเรายังเป็นหลักไม่ได้ในจุดนั้น เพาสังคมทั้งหลายที่เ็าอยู่กันอย่างปกติสุขที่จริงก็ไม่ใช่พระอริยบุคคลแต่เพราะแต่ละคนมีจุดผ่อนปลนที่จะมานัดพบ ก, กันที่หลักของธรรมะหลักของวินัยหลักของศีลหลักของกฎหมายหลักของจรียประเพณีระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆแทนที่จะยึดถือตัวเองเป็นหลักมันก็ยึดถือสิ่งเหล่านั้นเป็นหลักเพราะนันตราบใดที่คนยังไม่ มีทิฏฐิที่สมบูรณ์หมายความมายังไม่มีความเห็นที่สมบูรณ์คนจึงต้องมีสิ่งอื่นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกว็าตานองคล้ายๆกับเรายัางเขียนหนังสือไม่ตรงเราก็ต้องใช้ไม้บรรทัดต้องใช้เส้นบรรทัดเป็นเครื่องช่วยแน่นอนไม่มีกระดาษที่ไม่มีเส้นบรรทัดถ้าคนอื่นก็เขียนได้แต่เราเองยังไม่สามารถขนาดนั้นเราก็เขียนทุกทีต้องมีไม้บรรทัดทุกที ัางทีกระดาษไม่มีบรรทัดเราก็ขีดเอาเพราะอะไเพราะเรายังขีดให้ตรงเรายังเขียนให้ตรงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆหลังเราเขียนตรงได้โดยไม่ต้องมีบรรทัดเราก็ไม่ต้องมีบรรทัดเหมือนกันแนวนี้ก็คือแนวที่เรียกว่าเป็นความสมบูรณ์เต็มที่นั่นคือสภาพจิตที่มันพัฒนาขึ้นไปอยู่ในระับในระดับที่มันลัก ละความเห็นเป็นตัวเป็นตนหรือของตัวของตนลงไปได้ที่เราเรียกว่าสักกายติจิตซึ่งเราก็ผ่านตรงนี้มานานแล้วอยู่ในหัวข้อแรกของสังยุ์เราจะเห็นว่าตัวปัญหาก็คือเกิดมาสักกายติจิความเห็นเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนของตัวของตนจดได้เป็นของเราของเขาเป็นของพวกเราพวกเขา แล้วก็แกว่งไปได้ทั้งอดีตทั้งอนาคตปัจจุบันทําไมเกิดการยึดปั้นถือปา้นในจุดนี้แ่นที่จะกดเกณฑ์กติกาต่างๆของสังคมอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยเป็นฐานแต่เอาตัวเองเป็นฐานเอาตัวเองเป็นฐานนั้นตัวเองไม่มีมาตรฐานมันคล้ายๆเราจะวัดว่ายาวเท่าไหรต่างคนต่างจะใช้คืบตัวเอง น, นิ้วมือเรายาวไม่เท่ากันมันจะมีปัญหาว่าไอ้ตรงไหนที่มันคืบจริงๆคืบของใครก็คือความถูกต้องที่เป็นคืบจริงๆมวลสังคมก็ต้องเกณฑ์กาหนดเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้เป็นไม้ฟุตไม้บรรทัดเป็นไม้เมตรเราก็วัดวัดคืบของเราได้ว่าคืบหึงมันมีกี่นิ้วกี่เซนแล้วพอถึงเป็นนิ้วเป็นเซนที่เป็นมาตรฐานสากลมันวัดได้ทั่วโลก เราถือไม้บรรทัดจากเมืองไทยไปวัดได้ทั่วโลกมันจะตรงกันนั้นแสดงว่าเกณฑ์เหล่านี้ที่จริงมันเป็นเกณฑ์มาตรฐานโลกถ้าเราเทียบความเป็นใหญ่พรมยามใหญ่สามประการที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้เราจะจับหลักได้ทันทีพอประการแรกที่แนวของสักการชิติมันคือความเห็นที่เป็นอัตตาที่ประไต เอาตัวเองเป็นศูนย์เป็นฐานก็ความถูกต้องไม่ได้สนใจใส่ใจว่าคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะคิดยังไงความคิดในลักษณะใจเขาใจเรามันก็ไม่มไดีแสดงให้เห็นความแคล่งแคบความแห้งแรงที่มีอยู่ภายในใจแต่แนวบริหารแนวปกครองคือแนวประเด็จการเพราะตัวเองเป็นฐานในการชี้ผิดชี้ถูก แทนที่จะกาหนดบาปุลคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์มาจากเขตก็แปเอาตัวเองเป็นฐานทีนี้แนวที่เรียกว่าก็ปรับเข้าหากันในแต่ละจุดโดยมีความเห็นร่วมกันก็เป็นแนวที่เราเรียกว่าโลกาที่ปไตยหรืออาจจะใช้ธรรมารถหรืออาจจะเรียกว่าประชาธิปไตย ซึ่งจะมีความเป็นสากล น, น้อยเร า, า จ, จะพูดถึงเมืองไทยนะั้นประชาธิปไตยพม่าบอกไม่ใช่พม่าบอกเขาเป็นประชาธิปไตยประเทศจีนบอกไม่ใช่แต่ต่างคนต่างก็คิดว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยทั้งๆที่ระบบการปกรครองไม่เหมือนกันนั่นแสดงว่าไม่มีเกณฑ์มาตรฐานแต่เป็นเกณฑ์ของการเกาะกลุ่มของคนกันมาเท่า น, นั้นเองทีตะแนวคนธรรมาธิปไตยคือแนวไม้บรรทัดอย่างที่ว่าตะ มันจะมีความเป็นสากลเช่นว่าคนมีเมตตาอาริยรอบต่อคนอื่นเป็นคนดีมันไม่ใช่ดีอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแต่มันดีทั่วโลกประอยู่ในที่ใด ค, คนก็ยอมรับนับถือคนที่มีเมตตาอาริยรอบคนที่มีจิตใจมั่นคงหนักแน่นไม่โยกครอนหวั่นไหวได้ไง่ายเป็นคนที่มีหลัก เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลอื่นได้มันก็เป็นไปได้ทั้งทั่วโลกเหมือนกันถ้าคนมีปัญญาอสอดส่องมองเห็นเหตุเห็นผลในเรื่องต่างๆสามารถชี้นําความถูกต้องได้อย่างชัดเจนแจ่มแ จ, มแจม้งก็เป็นที่ยอมรั บ, บยกย่องของบุคคลทั้งหลายก็เป็นไปนับถ่านนี้ได้ทั่วโลกเพราะแนวธรรมจึงเป็นแนวที่สากล เดียวกันจะปรับจิตให้ขึ้นสากลมันก็ต้องผ่านทะลวงความเป็นตัวเป็นตนตออกไปหมายความว่าแนวสักยะที่จิตนี้ต้องกจัดออกไปในบางอย่างเป็นเรื่องของความเห็นร่วมกันของสังคมเรายอมรับได้บางอย่างแต่ไม่ใช่ได้ทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามปรับขึ้นไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นที่ติสัมพันธ์นะบุคคล เพราะเจะเห็นว่าคนที่เรียกว่าเป็นทิฏฐิสัมัญนะบุคคลคือมีความเห็นที่สมบูรณ์ถูกต้องไม่มีความบิดเบี้ยค า, าดเครื่อนนะคนนี้จะุสากแลแม้ความตรงกันทั่วโลกแต่เป็นระดับของพระญาบุคคลที่เราเรียกว่าพระโสดาบัญเพราะนั่นจะเป็นชนชาติใดก็าตามถ้าบรรลุพระโสดาบัญแล้วเนี่ยท่านจะเหมือนกันในด้านสภาพจิต นอนรูปกล้างหน้าตาสถานะทางครอบครัวสังคมอะไรแต่ไรมันก็ไม่ตรงกันหรอกแต่ว่าระระดับจิตสภาพจิตที่ท่านจะเหมือนกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าสัญญอดทั้งสามข้อข้างต้นท่านตัดได้ขาดถ้าตัดความเห็นเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนหรือของตัวของตนออกไป ท่านก็จัดความเครียดแครงสงสัยที่ไม่แน่ใจปักใจลงไปไม่ได้ออกไปท่านก็จัดจริงที่ร้ายเหตุผลต่างๆที่ไม่ยุติโดยเหตุผลและความดีที่แต่ใช้กับว่าศีลรตัตธรรมาตออกไปเพราะเราจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อความเห็นมันเกิดชอบขึ้นมาในความเครียดแครงสงสัยไม่แน่ใจที่นําไปสู่การถกเฉียงมันก็ไม่มี ก็จะมีเกณฑ์อยู่สองสามเกณฑ์อย่างกเกณฑ์หนึ่งก็คือเกณฑ์ที่ใช้พื้นฐานสติปัญญาส่วนตนแต่ว่าพื้นฐานสติปัญญาอยู่ระดับได้ระดับใกล้เคียงกัน ร, ระดับเดียวกันเขาก็ปรับกันได้ก็พูดกันได้อีกอย่างหนึ่งก็ใช้กฎเกณฑ์ที่เป็นหลักของบ้านเมืองของสังคมอยู่ยเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นกฎหมายเป็นกติกาก็ใช้เป็นเกณฑ์ตรงนั้น ใครผิจาเกณฑ์ตรงนั้นก็ต้องยอมรับเกณฑ์ตรงนั้นเราก็หาทางที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่แนวที่เกณฑ์มาตรฐานก็คือแนวที่จิตใจมันพัฒนาขึ้นไปอยู่ในจุดที่ถ่ายถอนความเห็นเป็นตัวเป็นตนหน ก, กล่ราออกไปเป็นอาการของปัญญาที่เรียกว่าปัญญาที่เห็นชอบตามความจรงิง เมื่อเราเห็นชอบตามความจริงแล้วการถือมั่นในเรื่องงม ง, งายได้ผลต่างๆที่ท่านเรียกว่าสีลิรัรตนประมาต์มันก็ต้องลดลงไปจนถึงก็หมดไปและความเครียดแข็งสงสัยความไม่แน่ใจต่างๆก็ถูกกจัดไปดังนั้นอาการของกิเลสเหล่านี้มันก็เรียงลดลัานกันขึ้นไปโดยลําดับระดับหนึ่งเราไม่สงสัยอีกระดับหนึ่งยังสงสัย พถ้ากระจากความสงสัยตรงนี้อีกจุดหนึ่งก็ยังสงสัยเพราะตราบใดที่ยังมีความสงสัยตราบั้นก็ต้องมีปัญหาตราบใดยังมีการถือมั่นโดยศีลลวัดอยู่บางจุดอาจจะไม่มีปัญหาพอถึงบางจุดมันก็มีปัญหาอีกนั้นในการปฏิบัติถ้าจึงสอนในรูปของการขัดเกลาไม่ได้หมายความว่าจะทำได้ทันทีทันใด ตุกอย่างเป็นเรื่องที่ค่อยๆทําค่อยๆขัดเกลาวไปเมื่อเราจะหาเกณฑ์มาตรฐานในตัวเรายังไม่ได้ก็พยายามลดสากายทัติถิเพราเราลงไปคือความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเพรเราลงไปก็เลยไปยึดเอาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆเกณฑ์ธรรมเกณฑ์วินยัยเกณฑ์กฎหมายเกณฑ์ระเบียบประเพณีเกณฑ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมต่างๆ เราก็น้อมตัวก็ไปหาสิ่งเหล่านั้นยอมรับรับถือกฎเกณฑ์กติกาของสิ่งเหล่านั้นโดยบางอย่างเราก็มีความเครียดแรงสงสัยบางอย่างเราก็ค้นขว้าศึกษาได้กระจัดได้แต่ว่าโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นตราบใดที่เราจะไม่เป็นพระญาบุคคลเราก็สงสัยอย่างนั้นแหละบางจุดเรายังไม่มีข้อมูลมากพอต่อการจะวินิจฉัยตัดสินความถูกต้องในเรื่องนั้นๆ ล้วก็จะปลักเกณฑ์ที่เป็นกฎมาตรฐานในเรื่องนั้นๆเป็นแนวยึดเอาไว้แล้วก็พยายามพิสูจน์ทดสอบไปในสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นต่อไปเราก็จะได้หลักในตัวเราเองหือจะเป็นสัมผัสตรงไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามธรรมะนั้นจะต้องโอปปะิโกหรือต้องน้อมนามาศึกษาน้อมนามาคิดพิจารณาน้อมนามาประพฤติปฏิบัติ จะบางอย่างเนี่เราปฏิบัติไม่ได้ยังไม่ได้ตรงนั้นเราจะดูท่านที่ปฏิบัติได้เออท่านมีความสุขมีความสงบอย่างนั้นท่านมีความยึอกเกย็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นอย่างท่านเราก็จะสงบจะยึอกเกยน็นอย่างท่านเช่นเดียวกันแล้วก็เหมือนก็ดูเรื่องอื่นน่ะ คนนั้นก็เรียนหนังสือมาก็มีความจำนี้จำนานก็ทําได้เรายังไม่ได้เรียนแต่เราชื่นชมกับผลจากการเรียนของท่านเราคิดว่าถ้าเราเรียนอย่างท่านรู้ระดับเดียวกับท่านเราก็ทําได้อย่างท่านเราจะเกิดความกระตือรือร้นที่จะศึกษาเราเรียนเพื่อให้ทําได้อย่างทันนี่คือเราก็เรียนมาจากคนเรียนมาจากผลต่างๆที่เกิดขึ้นแก่คนเอาท่านเหล่านั้น มาเป็นหลักคิดแล้วก็เสริมสร้างกันที่ตัวเองซึ่งก็เป็นแนวเดียวกันที่เราศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติพระหันตะสาวกทั้งหลายศึกษาประวัติอักษาวิกาหรือปสบปาสิกาในสมัยพุทธกาลมองแล้วเราก็ชื่นชมทัน แต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นท่านก็ต้องพัฒนาตัวเองมาขัดเกลากิเลสมาท่านก็อยู่ในจุดที่เรียกว่ามีสัมผัสตรงในเรื่องของธรรมะแล้วก็ชื่นชมในอาการในผลที่ปรากฏแก่ท่านแล้วก็เปลียนพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลอย่างน้อยก็เปอยู่ในแนวนั้นภว ก, การมราคะปฏิฆา ถึงว่าจริงๆแล้วธรรมศาสามันชนมันก็รุนแรงแต่ท่านพูดในระดับของสังโยชน์มันก็ไม่แรงในการมาราคานั้นเราจะเห็นว่าที่รุนแรงจนมีการฉุดคร่านาจาร์อะไรต่างๆก็เรื่องเรื่องของการมาราคะที่มันแรงแต่ปฏิฆะก็คือเป็นความโกรธที่แรงๆเวลาปล่อยมันลุกลามขึ้นมันก็แรง ได้พูดในลักษณะคล้ายๆก็เป็นชื้อวนมือก็พูดไฟเรืงเรื่องไฟกองเล็กๆแต่เราก็มองเห็นว่าไฟที่ไหม้บ้านไหม้เมืองที่จริงมันมาจากกองเล็กๆเหมือนกันปริมาณของกิเลสมันก็เป็นเช่นนั้นคือมีจุดเล็กๆขึ้นมาก่อนแล้วต่อไปก็ขยายลูกลามไปทีเดียวเพราะแต่เราดับไม่ได้เราก็คุมไว้ขยายมันลูกลาม เด่๋น้อยความร้อนที่จะแผดเผาเดี๋สร้างปาัญหาทําเป็นภัยเป็นอันตรายมันจะลดลงไปที่รู ป, ปราคาค่รู ป, ปราคะความกําหนัดในรูปกับความกําหนัดในอารูปคือในสิ่งที่เป็นนามธรรมแต่ผู้สําสหรับใจสามัญชนก็คือรูปของวัตถุทั้งหลาย มีความกำหนัดรักใคร่เพลิดเพลินยินดีขวายคว้าปรารถนากระสันอยากสยบติดอยู่ในสิ่งนั้นทำยังไงย้ายแรงจะแรงจนถึงกับบางครั้งเราจะเห็นว่าแม้แต่ความอยากทำความดีถ้าอยากเกินไปเนี่ยมันจะไปถึงจุดหนึ่งคือทำความชั่วเพื่ออยากเพื่อทำความดี จะเราต้องการจะช่วยเหลือสาธารณชนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นะะอะไรแต่ไหนเนี่ยแต่มันต้องมีเงินอ่ะต้องมีคนแต่เราก็ไม่มีเงินไม่มีคนพอที่จะทํางานแล้วนี่ยเราจะไปหลอกลวงชาวบ้านแต่วิธีการาต่างๆเพื่อได้เงินมาเจตนานดีได้ช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วแม้จะเอาเงินนั้นไปช่วยเหลือสังคมก็ตามมันก็เกิดการแบ่งแยกที่ชัดเจนว่า การได้มาซึ่งเงินทองเหล่านั้นผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเป็นบาปติดตัวเพราะสิ่งนี้ทำด้วยบาปแม้จะเป็นบุญมันก็เป็นบุญน้อยเพราะอะไรเพราะปัจจัยได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมเพราะบุญที่ได้มันก็ไม่คุ้มกับบาปที่เราที่เรามาเป็นเป็นทุนในการทำความดีเพราะคนที่ฉลาดก็ไม่ ไม่ปล่อยความอยากเนี่ยแม้แต่อยากทําความดีมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องที่เกี่ยวกับทานแต่เรื่องศีลไม่ค่อยแปลกเรื่องปฏิบัติธรรมนี่ค่อยแปลกเพราะอะไรเพราะว่าไม่ต้องไปรบกวนใครแต่ถ้าทําทานแล้วเนี่ยบางครั้งก็เกินกำลังมันก็สร้างปัญหาอาจจะต้องเอาบาปมาลงทุนเพื่อทําเพื่อทําบุญแล้วในสุดเราก็ได้บาปมากกว่าได้บุญ ถามว่าใจยังมีรูปราคะรูปราคะอยู่ไหมมันก็มีเพียงแต่ว่าก็พยายามควบคุมใหญ่มากเกินไปเพราะว่าในส่วนที่เป็นรู ป, ปรวัตถุหรือในส่วนที่เป็นนามนธรรมก็ตางการพยายามปฏิบัติขัดเกลาในแนวนี้ซึ่งหมายความว่ากิเลสเหล่านั้นก็จะมีอานาจอิทธิพลเหนือใจน้อยลง มันไม่ถึงกะละได้แต่ว่าใจก็จะมีอิสระมีอวิชชาลดน้อยลงรู้จักบรญญะบัญยังรู้จักหักข้ามความรู้สึกต่อนั้นเอาไว้แม้บางครั้งบางคราวจะถูกกระตุ้นมาจากปัจจัยภายนอกจะมีการด้วยวยวุโยยยวนเพื่อให้เพิ่มปริมาณของกิเลสเหล่านั้นแต่ก็มีสติยับยั้งไว้ได้ มีการข่มใจมีการอดกลั้นอดทนมีการให้อภัยมีการเมตตาก็แล้วแต่คือธรรมะทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาช่วยเวลาโรกระทบอารมณ์ท่านสาธชนทั้งหลายจะลองสังเกตเหมือนกับเราเดินไปแล้วเกิดลมพัดมาอย่างแรงอ ว, วัยวะทุกส่วนจะต้องทำหน้าที่ของเขา ทั้งตาทั้งมือทั้งเท้าทั้งส่วนต่างๆของร่างก า, กายประสาททุกส่วนนั้นเขาจะตื่นตัวขึ้นมาทํางานประสานกันตัวเท้านั้นแน่นอนก็เป็นหลักในการเติยืดแต่จิตใจนั้นจะต้องพิจารณาใช้เหตุใช้ผลในการที่จะต่อสู้กับกระแสลมที่พัดมาเพราะการเกิดขึ้ น, น, นธรรมะมันกแนวนั้นเวลาเกิดปัญหาขึ้นมานั้นธรรมะที่มีชื่อต่างๆก็จะเกิดขึ้น ถ้าเราไม่ให้เกิดมากพอแล้วก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนกันให้ผ่านพ้นจากอำนาจอิทธิพลของกิเลสหรืออย่างน้อยก็ลดความรุนแรงของกิเลสลงไปใจคนก็จะได้รับความสุขความสงบในระดับที่แต่ละคนสามารถสัมผัสได้โดยใจของตนต่อจตกนี้ไปก็ขอให้ ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป